ซึ่งส่วนมากก็หวังให้ได้อย่างใจของตัวไม่คำนึงถึงความละบากและหน้าที่การงานของท่านที่ทำประจำวันเวลาบ้างเลยจึงมาถูกรบกวนยิ่งกว่าน้าบึงน้าบ่อเสียอีกหากไม่สมใจหวังบ้างก็ทาให้เกิดความขุนัวภายในว่าท่านรังเกียจถือตัวไม่คานต้ อ, ตอนรับขับสู้สมกับเพศที่บวชมาเพื่อชาระกิเลสประเภทถือตัวและขัดใจคนนอกจากนั้นก็ตั้งข้อรังเกียจขึ้นภายใน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 เป็นสิ่งเจริญทัดเทียมกันหมดเวลานี้ทั้งนอกและในประเทศทั้งในเมืองและบ้านนอกทั้งวัดบ้านและวัดป่าทั้งในที่ธรรมดาและในป่าในเขาแต่ท่านไม่ยอมเชื่อมีแต่ความขยักขยแยงระวาดกลัวสลดสงเวทเอาท่าเดียวจนผู้ชี้แจงให้ฟังหมดปัญญาไม่มีทางทำให้ท่านหายตกใจหวาดเสียวได้จึงน่าสงสารที่ท่านเป็นป่าเถืนและห่างความเจริญเอาตีจริงๆวัดหลวงปู่ท่านอยู่ในป่าในภูเขา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 อันเปรียบเหมือนเรือนจำขังทรัพย์ผู้ต้องโทน